อีกคำหนึ่งเรียกว่าพิกขุสังฆะปริหารณะปัญหาพระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระคุณเจ้านากเกษมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดความข้อนี้ไว้ว่าตทาคตัสระโค อ, อานันทะนาเอวังฮูติอาหางโคพิขุสังคังปริหาริษามีติวามมุตเทสิโกพิกขุสังโคติวาดูก่อนอา น, นุ์ จถาคตไม่เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารเราจักปกครองดูแลภิกษุสงฆ์หรือเราไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยจะมีเราจากเป็นผู้ที่มีเราเป็นผู้ชี้แนะคือแปลภาษาไทยว่าเราเนี่ยคือผู้มีอำนาจปกครองสง์อยู่ในกามือแต่เพียงผู้เดียวหนึ่งประเด็นที่สองอคำที่2ก็หมายความว่าสงต้องอยู่ใต้อานตจของเราเท่านั้นถ้าไม่ผ่านเราห้ามทำอะไรเด็ดขาด เขาเรียว่าเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวบอกความคิดอันนี้ไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อแสดงคุณที่มีอยู่ของพระศรีอริยะเมตรัยนะนะในอีกที่หนึ่งนะมันฟังนะ้่มันขัดกันนะบอกว่าที่ไหนคือในจักรวติสูตรอันนะที่บอกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเมตรัเมตรตรหรือพระศีีอริยะเมตรัอ่ะนะ พระพุทเจ้ากลับตรัสอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งนะว่าโสอเนกสหัสสังภิกขุสังคังปริหาริสสติไสยถาปิอหังเอตระหิอเนกสตังพิกขุสังคังปริหาริสติบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตไตรนั้นน่ะจักบริหารภิกษุสง์จำนวนหลายพันหมือ่นอย่างที่เราบริหารภิกษุสงหลายร้อยอยู่ในปัจจุบัน คำบนข้างบนก็บอกว่าปริหาริตสามิเนี่ยนะบอกว่านณะนะตัวแรกว่านณะตัวแรกปฏิเสธบอกเราไม่มีความคิดนะว่าเราเนี่ยจักต้องเป็นผู้บริหารสงฆ์แต่เพียงผู้เดียวเป็นต้นเนี่ยเราไม่ได้คือมีความคิดแบบนี้นะว่าการบริหารสงฆ์ต้องเป็นภาระของเราเป็นต้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นแบบอำนาจทั้งหมดอยู่ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหารสงฆ์พระองค์ไม่เคยมีความคิดแบบนี้นะเสร็จแล้วนี่อีกสูตรหนึ่งที่บอกว่า ปริหริสติเนี่ยไม่มีปฏิเสธเลยบอกอ้บริหารพระพิสูจน์เนี่ยอเนกสหัสสังหลายพั น, เนอเนกสหัสสังเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยบริหารสงหลายพันแต่ข้างบนบอกว่าไม่มีความคิดที่จะบริหารสง เพิ่มยังไงกันพระคุณเจ้านากเกษตถ้าหากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอนน์เราไม่เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจัดบริหารภิกษุสงฆ์หรืออย่างนี้ว่าภิกษุสงฆ์จักเป็นผู้ที่เราเป็นผู้ชี้แนะดังนี้จริงใสถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสว่าเราเราจัดบริหารภิกษุสงฆ์จำนวนหลายร้อยหรือว่าเราบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยเนี่ยคำนี้มันก็ต้องผิด เพราะคำแรก บ, บอกไม่มีจิตคิดจะบริหารแล้วบอกว่าตอนเนี้ยประโยคตรงนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยบริหาราพระภิกษุ ส, สงฆ์ตั้งหลายร้อยอยังไงกันถ้าหากพระตถาคตตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเมตไตรยะนั้นน่ะจักบริหารภิกษุ ส, สงฆ์จำนวนหลายพันเหมือนอย่างเราบริหารภิกษุ ส, สงฆ์จำนวนหลายร้อยอย่างนี้จริงถ้าพุทธพจน์นี้เป็นพุทธพจน์ที่จริง ถ้าอย่างนั้นคำที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอันนเราไม่เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจับบริหารภิกษุสงฆ์หรืออย่างนี้ว่าภิกษุสงฆ์จักเป็นผู้ที่เราเป็นผู้ชี้แนะก อ, อถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องผิดนะถ้าอันอันก่อนจริงอันหลังก็ต้องผิดถ้าอันหลังจริงอันก่อนก็ต้องผิดปัญหาแม้นี้ก็มีสองเงื่อนตกแก่ท่านแลว้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด พระนาคเสงกักบอกขอถวายพระพรมหาบาพิธพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าดูก่อนอานุนเราไม่เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรืออย่างนี้ว่าภิกษุสงฆ์จักเป็นผู้ที่เราเป็นผู้ชี้แนะดังนี้จรงิงและเมื่อจะแสดงพระคุณที่มีอยู่ของพระผู้มีพระภาคเมตรยะพระองค์ก็ตรัสอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตรยะนั้นน่ะ จักบริหารภิกษุสองจำนวนหลายพันเหมือนอย่างที่เราบริหารภิกษุสองจำนวนหลายร้อยอยู่ในปัจจุบันดังนี้จริงขอถวายพระพรมหาปิฏในปัญหาข้อนี้อัฏฐะหนึ่งในปัญหาข้อนี้เป็นอัฏฐะที่มีส่วนเหลืออีกอัฏฐะหนึ่งมีอัฏฐะไม่มีส่วนเหลือคือคําพูดเนี่ยมันมีอยู่สองประโยคว่าคําพูดหนึ่งคำพูดมีส่วนเหลือ คำพูดหนึ่งไม่มีส่วนเหลือแปลว่าคำพูดหนึ่งต้องอธิบายอีกคำพูดหนึ่งฟังแล้วไม่ต้องอธิบายคืออีกคนนะบางคำเนี่ยฟังแล้วตรงตัวเป๊ะเลยไม่ต้องไปขยายความอะไรทั้งนั้นเอาตรงๆนี่แหละไม่ต้องไปซิกแซกไม่ต้องไปโยงไม่ต้องไปอ้อมไปค้อมไปหาเหตุหาผลอะไรทั้งนั้นก็ตรงๆเป๊ะไปเลยอีกปัญหาหนึ่งมันต้องอธิบายกันบ้างนะมันต้องอธิบายกันเพราะบางคำเนี่ยเป็นคำพูดที่รู้กันนะนะเรียกว่าการรู้กันเฉพาะคนเขาบอกงั้นรู้กันว่า สำหรับบางคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยว่าพราะองค์เนี่ยหมายอย่างนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างเช่น่ะพ่อแม่เคยว่ารู้เออไปตายซะไปพูดจริงเหรออย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยมันรู้กันว่าไม่ได้แบบใจจริงก็ไม่ได้คิดอะไรลักษณะนั้นหรอกบางคําที่พระพุทธพจน์พูดเนี่ยต้องเขาบอกว่าบางความหมายเนี่ยมันต้องอธิบายบ้างขอถวายพระพรพระตถาคตมิได้ทรงเป็นผู้คอยติดตามบริสัทธ์ แต่ว่าบริษัทเป็นผู้คอยติดตามพระตถาคตพระพุทธเจ้าตามเง้ะแปลว่าตามเง้ะสาวกใช่ไหมบอกไม่ใช่ น, นะแต่ว่าสาวกติดตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกใช่มหาบาพิษเหมือนคําที่กล่าวว่าเราว่าของเรานี้ก็เป็นเพียงสมมุติหาใช่ปรมัจิตไหมดูก่อนอ น, อนุนเราขอบอกเราขอเตือนน่ยนะ เราเราศัพท์นี้พระพุทธเจ้าใช้เยอะไหมเยอะแต่เป็นคำพูดที่เป็นโวหารไม่ใช่ประมาทิไม่ใช่พูดแบบไม่ใช่พูดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฐิแต่เป็นโวหารที่ใช้กล่าวขานกันในโลกเนี่ยนะเป็นเพียงโวหารที่เอาไว้สื่อสารกันไม่ได้เป็นคำพูดที่เป็นแบบเป็นจริงเป็นแทว่ว่าเราว่าของเราเนี่ยนะอย่างเช่นกัสปะบุตรของเราเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็ใช่ไหมกัสสปะบุตรของเราเนี่ยพระองค์พูดโดยโวหารไม่ใช่พูดโดยประมาทว่าโอ้ว่ า, วามีมีพระองค์มีพระกัสสปะแล้วก็มีของเราเชื่อมกันด้วยตัณหามาณทิฏฐิเป๊ะอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่คำพูดที่โวหารรู้กันนะเข้าใจกันในความหมายในในพระศาสนาเนี่ยเข้าใจกันเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรพระตถาคตทรงปราศจากความรัก ทรงปราศจากความสเนาสเน่หาเสน่หาแปลว่าเยื่อใยเยื่อยางเนี่ยนะถ้าตถาคตไม่ทรงมีการถือว่าของเราแต่ว่าทรงเป็นผู้ที่สัตว์ทั้งหลายได้พึ่งอาศัยเอ่อเพิ่มเติมที่เขาบอกว่าปัญหาหนึ่งเป็นอัถะที่มีส่วนเหลืออีกปัญหาหนึ่งอัฏฐไม่มีส่วนเหลืออธิบายเพิ่มเติมว่าคำที่ว่าอัฏฐหนึ่งเป็นอัฏฐที่มีส่วนเหลือ ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตไตรนั้นจักบริหารภิสษจสงหลายพันเหมือนอย่างที่เราบริหารภิสษจสงหลายร้อยอยู่ในบัตรนี้ดังนี้เป็นอัดที่มีส่วนเหลือคือเป็นอัดที่มีส่วนเกินที่พ้นไปจากสภาวะธรรมเป็นอัดที่มีเศษมีเหลือเป็นคำพูดโวหารของชาวโลกที่เอาไว้พูดสื่อสารกันเท่านั้นแหละแม้พระองค์จะทรงละอัตตานุทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิตามเห็นว่าเป็นอัตตา พระองค์ละว่าเป็นเราได้แล้วก็ยังกระทําเหมือนกับว่าพระองค์ยังมีอัตตานุทิฏฐิอยู่เหมือนมีแต่จริงๆไม่มีโดยประการที่ตรัสเป็นศัก์แต่ว่าโวหารว่าเราจักบริหารซึ่งเนื้อความนี้เป็นอัดที่มีส่วนเหลือนอกเหนือไปจากสภาวธรรมเขาไว้พูดคุยเอาไว้สื่อสารกันเท่านั้นแหละเปจริงเป็นจังได้หรอเนี่ยนะส่วนอัดหนึ่งเป็นอัดที่ไม่มีส่วนเหลือ คืออัฏถแรกอัฏถแรกนั้นพูดตรงๆไม่มีส่วนเหลือเลยที่บอกว่าดูก่อนอ น, นุนแต่ถาคตไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารพิสุสงดังนี้เป็นต้นนี้ชื่อว่าเป็นอัฏถที่ไม่มีส่วนเหลือเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงมีอัตตานน ท, ทิติที่ทรงสำคัญว่าเป็นเราจึงตรัสว่าเราตถาคตไม่มีความคิดนี้เลยว่าจัก บริหารสงฆ์ไม่มีความคิดด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิขึ้นเลยนะว่าเราจักบริหารสงฆ์เพราะเมื่อความเป็นจริงโดยประมัดมีเพียงสภาวะธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้แล้วผู้ละอัตานุทิฐิได้แล้วย่อมไม่เกิดความคิดไม่เกิดความยึดมั่นว่าเราจักบริหาร เพราะไม่มีเราซึ่งเป็นผู้บริหารคือพระพุทธเจ้าไม่มีความสําคัญว่าเป็นเราอ่นนะด้วยอํานาจทิฐิและบริหารด้วยอํานาจมานะเป็นต้นเนี่ยไม่มีเลยอ่นนะไม่มีแต่คําว่าบริหารในที่นี้ก็คือคืออะไรเขาบอกว่าบริษัทคอยติดตามพระองค์เมื่อบริษัทคอยติดตามพระองค์พระองค์ดูแลจัดการยังไงใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาว่าเมื่อมีผู้คอยติดตามและพระองค์บริหารจัดการอย่างไร โดยตัวนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าแผ่นดินเป็นที่ตั้งเป็นที่พำนักแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่บนแผ่นดินสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่อยู่บนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็หาได้เยแสว่าสัตว์เหล่านี้ของเราดังนี้ไม่ แผ่นดินเคยยึดไหมโอ้โนี่ของพวกเราทั้งนั้นเลยเหมือนนนะมีไหมขอถวายพระพรพระตถ า, าคตเป็นที่พำนักแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็พึ่งพระตถ า, าคตแต่พระตถ า, าคตหาทรงเยแสว่าสัตว์เหล่านี้ของเราดังนี้ไม่ฉันนั้นนะคือคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพวกเรานี่ต้องพึ่งแผ่นดินใช่ไหมอ่าต้องค่อยเยแสใส่ใจว่าแผ่นดินแต่ถามว่าแผ่นดินสนใจเราไหม ยึถือไหมโอ้ยอย่าไปเลยเกาะขาเราไว้แน่นน่ยนะสูบไว้เลยอย่าไปเลยอยู่ด้วยกันนี่แหละบอกไม่มีรอกเว้นแต่พระเทวทัตเนี่ยที่ถูกสูบลงไปแต่ไม่ได้สูบด้วยตานานะสูบด้วยบาปของพระเทวทัตเนี่ยมันลึกไปหน่อยตกไปทั้งหลุมลาวาเลยเดือดร้อนอย่นีน้อีกอุปมาหนึ่งขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมฆฝนหาใหญ่ เมื่อตกลงมาก็ย่อมมอบความเจริญงอกงามให้แก่ต้นไม้ต้นหญ้ามอบความเจริญให้คอยมนุษย์คอยรักษาให้เป็นไปสืบต่อก็สัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้อยู่ด้วยฝนแต่ว่าฝนเมฆฝนหาใหญ่ก็หาได้เยแสว่าสัตว์เหล่านี้ของเรา ดังนี้ไม่ฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตก็ทรงทากุศลให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทรงคอยตามรักษาก็สัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นผู้อยู่ด้วยพระศาสดาแต่พระตถาคตหาทรงเยแสว่าสัตว์เหล่านี้ของเราด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิไม่ฉะนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทรงละอัตตานุทิฐิได้แล้วเนี่ยนะละมานะละทิฐิได้หมดแล้ว ก็คือพระพุทธเจ้านี้ตรงนี้อุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พํานักพิงของสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้มีมีใจเยแสอะไรกับสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเมฆฝนที่ตกลงมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรอยู่กับสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ฉะนั้นเป็นเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช่นนั้นพระเจ้ามิลินก็บอกสาธุดีจริงพระคุณเจ้า ท่านเปลื้องปัญหาด้วยดีนะนานนักกว่าจะชมขนาดนี้บอกว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างท่านได้ทำปัญหาที่ลึกซึ้งให้ตื้นทำลายเงื่อนปมได้ทำข้อที่ยุ่งเหยิง ให้หมดความยุ่งเยิงได้ทำข้อที่มืดให้สว่างได้ทำลายประวาตะละทัทธิมิจฉาทิฐิพวกอื่นได้ท่านทำดวงตาให้เกิดแก่ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระผู้ชนะมารของพระชินวรเนี่ยนะหรือผู้ชนะมารทั้งหลายได้แล้ว